สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้บทเรียนจากสุภาษิตเรื่องการลงทุนที่ฉลาดปรากฏในพระธรมสุภาษิตบทที่สิบเอดข้อย2ิบสองถึงข้อสามสิบเอ็ดครับโปรดฟังพจนะของพระเจ้าสุภาษิตบทที่สิบเอ็ดข้อย2ิบสองจนถึงข้อสามสิบเอ็ดสาวสวยที่ไม่รู้จักคิดก็เหมือนห่วงทองคำคล้องอยู่ที่จมูกหมูความปรารถนาของคนชอบรม บรรลุแต่ผลดีแต่ความหวังของคนชั่วจบลงที่ความโกรธโทษทันบางคนยิ่งให้อย่างใจกว้างขวางกลับยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นส่วนบางคนยิ่งตระนีทีเหนียวกลับยิ่งขาดแคลนคนใจกว้างจะเจริญรุ่งเรืองผู้ที่นำความชุ่มชื่นไปสู่คนอื่นก็จะรับความชุ่มชื่นผู้คนสาบแช่งผู้ที่กักตุนข้าว แต่วอวยพรผู้ที่เต็มใจขายให้พระเจ้าทรงโปรดปานผู้ที่เสาะแสวงหาสิ่งดีส่วนความชั่วจะมาสู่ผู้สแสวงหามันคนที่วางใจในทรัพย์สมบัติจะล่มคว่าลงส่วนคนชอบทำจะรุ่งเรืองเหมือนต้นไม้ที่เจริญงอกงามผู้ที่ทำให้ครอบครัวทุกร้อนจะไม่เหลืออะไรเลยและคนโง่จะตกเป็นทาสของคนจิตใจฉลาด ผล ข, ของคนชอบทำเป็นต้นไม้แห่งชีวิตคนฉลาดนำผู้อื่นมาถึงชีวิตถ้าคนชอบทมยังได้รับผลของกายกระทำในโลกนี้คนอธรรมและคนบาปจะยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพี่น้องครับการลงทุนชีวิตที่ฉลาดนั้นเราจะต้องลงทุนอยู่ในความดีความชอบธรรมพระเจ้าจะอวยพรครับในวันนี้การลงทุน อย่างแรกที่ปรากฏอยู่ในข้อ22ก็ได้กล่าวว่าสาวสวยที่ไม่รู้จักคิดก็เหมือนกับห่วงทองคําคล้องอยู่ที่จมูกหมูโดยปกติแล้วนะครับผู้หญิงอิสราเอลนั้นจะสวมแหวนที่จมูกเหมือนกับเป็นเครื่องประดับอย่างหนึ่งเหมือนแหวนที่สวมนิ้วนะครับแต่ถ้าแหวนนะครับที่จมูกไปปรากฏอยู่ที่จมูกหมูก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมก็เป็นการเปรียบเทียบว่าสตรีที่งดงามหรือสาวสวยนั้นที่ขาดความฉเฉลีวฉลาดนะครับ ตัวเขาก็เหมือนหมูครับที่น่าเกลียดไม่รู้จักคิดคนที่ไม่เฉลียวฉลาดไม่รู้จักคิดก็เหมือนกับหมูนะครับความสวยนั้นก็เหมือนกับเป็นแค่ห่วงทองคาแต่ว่าไปคล้องอยู่กับหมูครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นการเปรียบเทียบแบบคู่ขนานคนสวยต้องคิดเป็นด้วยนะครับมันถึงจะสมกันเพราะนั้นถ้าจะลงทุนชีวิตที่ความสวยพี่น้องครับอย่าลืมลงทุนด้านความคิดด้วย พี่น้องสัตวีที่เคารพรักทุกท่านถ้าจะลงทุนที่ความสวยอย่าลืมลงทุนด้านความคิดการลงทุนด้านความคิดคืออะไรครับก็คือการที่เราคิดเป็นการที่เราคิดในพระจนาของพระเจ้านั่นเองข้อต่อไปครับสิ่งที่คนชอบทำปรารถนาจะจบลงในความดีในทางกลับกันครับสิ่งที่คนชั่วร้ายหวังที่จะได้ก็จะจบลงในความพินาศในความพิรธในการลงโทษจากพระเจ้า พียนะครับคนที่มีใจกว้างขวางเขาจะมีความบริบูรณ์ครบถ้วนในข้อที่24 25นะครับเป็นเหมือนกับข้อพิพีที่หลายหลายท่านเนี่ยพยายามท่องได้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่ลงทุนชีวิตในความดีนะครับแจกจ่ายอย่างกว้างขวางเขาจะได้รับกลับคืนมานะครับเขาจะได้รับกลับคืนมาอย่างแน่นอนแต่บางคนนี่ยิ่งขี้เหนียวครับก็ยิ่งขาดแผน นะครับขายิบห้าบอกว่าคนใจกว้างจะเจริญรุ่งเรืองคนที่นําความชุ่มชื่นไปสู่คนอื่นจะได้รับความชุ่มชื่นกลับมาแทนที่นะครับตรงนี้เองทําให้เรารู้ครับว่าใครก็ตามเนี่ยครับที่ชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นนะครับเช่นผู้ที่กักตุนข้าวเพื่อที่จะโก่งราคาผู้คนจะสาปแช่งเขาครับแต่ในทางกลับกันผู้คนก็จะอวยพรคนที่อ่าไม่กักตุนนะครับอวยพรให้กับคนที่มีความโอบอ้อมอารี วอวยพรให้กับคนที่ไม่ฉวยโอกาสพี่น้องครับคนใจกว้างจะเจริญรุ่งเรืองครับอย่าลืมและคนที่นําความชุ่มชื้นนําความชุ่มชื้นไปสู่คนอื่นชีวิตเขาก็จะได้รับความชุ่มชื้นชุ่มชื้นความแข้มชื้นเช่นเดียวกันพี่น้องครับพระเจ้ามีความปรารถนาให้เราที่จ ะ, สะแสวงหาความดีครับสะแสวงหาความดีนะครับสาะแสวงหาความดีคืออะไรครับคือเที่ยวไปที่จะทํา สิ่งที่ดีหาสิ่งที่ดีนะครับคนคนนั้นน่ะก็คือคนชอบทําครับคนชอบทํานั้นเขาจะรุ่งเรืองเหมือนกับต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมฐานน้ําครับต้นไม้ที่จเจริญงอกงามต้นไม้ที่สามารถที่จะให้ร่มให้เงานะครับเป็นร่มเงาให้กับคนอื่นได้และเขาจะได้ผลจากการกระทําของเขาในโลกนี้อย่างแน่นอนในขณะที่คนธรรมและคนบาปครับจะได้ความเสียหายจะได้ผลแห่งการกระทําของเขา จะรับการศัพท์แช่งจะรับความชั่วร้ายที่ตนเองเกาะกลุ่มไว้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความชั่วนั้นจะมาสู่ผู้ที่แสวงหามันนะครับความชั่วจะมาสู่ผู้ที่แสวงหามันในข้อี่28นะครับ29ก็ทําให้เรารู้ว่าคนที่วางใจในทรัพย์สมบัตินั้นจะล้มคว่ำครับคนที่วางใจในทรัพย์สมบัตินั้นเขาจะอยู่ไม่นานและเขาจะล้มลงนะครับแต่คนที่ชอบทำครับ เขาจะอยู่นานครับเหมือนต้นไม้ที่งอกงามแล้วก็ยี่สิบเก้าสำคัญครับใครก็ตามที่ทําให้ครอบครัวของตนเดือดร้อนครับเขาจะไม่เหลืออะไรเลยครับนะหากเราสร้างปัญหาขึ้นในครอบครัวไม่ว่าจะด้วยความโกรธหรือด้วยความอยากเป็นอิสระถือว่านั่นเป็นการกระทําที่โง่เขลามากครับเพราะเรากําลังตัดตัวเองออกจากสิ่งที่ครอบครัวจะมอบให้กับเราความจริงแล้วครอบครัวจะสิ่งจะมอบสิ่งที่ให้กับเรานั้นก็คือความอบอุ่น นะครับน้ำใจการยกโทษให้อภัยซึ่นกันแล้วกันพี่น้องครับขอให้เราพยายามที่จะทนโนธนมนะครับทนโนธนอมความเข้าใจนะครับด้วยการสื่อสารที่ดีในครอบครัวลงทุนกับสิ่งที่ดีสุดให้กับครอบครัวครับและเราจะได้สิ่งที่ดีที่สุดตอบแทนเช่นเดียวกันพี่น้องครับทรัพย์สมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งที่พระเจ้าประทานกับเราก็คือครอบครัวครับครอบครัวนั้นเป็นที่ที่ อบอุ่นเป็นที่ที่ให้การยอมรับเป็นที่ที่ให้กําลังใจเป็นที่ให้คําปรึกษาและคําแนะนํานะครับเราจะต้องดูแลครอบครัวของเราอย่างดีทนุถนอมความสัมพันธ์ที่อยู่ในครอบครัวครับเราพยายามที่จะสื่อสารให้ดีเพื่อที่เกิดความเข้าใจนะครับที่ดีในครอบครัวของเราคนที่มีสติปัญญานะครับเขาจะเป็นแบบอย่างของชีวิตที่มีความหมายนะครับและชีวิตของเขานั้นจะเป็นพรกับครอบครัว เป็นพรเหมือนกับเป็นต้นไม้ครับผมพูดหลายครั้งครับเป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงากับคนอื่นชีวิตของเขานั้นจะเป็นตัวดึงดูดให้คนอื่นอยากจะรู้จักเขานะครับอยากจะพบความหมายในชีวิตอยากจะฟังอยากจะอยู่ใกล้นะครับและชีวิตของเขานนั้นสามารถประกาศเผ่าปราะเสริฐและพรกิติคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น <c oughs> การนําคนมาถึงพระเจ้านะครับเป็นสิ่งที่สําคัญครับการนําคนมาถึงชีวิตนะครับเพราะเหตุที่เขาเป็นต้นไม้แห่งชีวิต เพราะนั้นตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่เราจะประกาศภรกิติคุดคณด้วยชีวิตด้วยการลงทุนชีวิตผูกพันกับคนอื่นๆรักษาความสัมพันธ์ให้ดีนะครับคิดดีพูดดีทดําดีลงทุนในสิ่งที่ดีและเราจะได้รับผลของการกระทําในโลกนี้ครับพี่น้องครับในข้อสามสิบเอ็ดพูดชัดเจนครับถ้าคนชอบทำยังได้รับผลการกระทําในโลกนี้นั่นหมายความว่าคือเป็นสิ่งที่แน่นอนครับเป็นสิ่งที่แน่นอน พี่น้องครับอย่าลืมครับว่าคนโง่จะตกเป็นเหยื่อนะครับของคนฉลาดตกเป็นทาสของคนที่จิตใจฉลาดนะคพระเจ้ากําหนดไปแล้วครับว่าคนที่ฉลาดนั้นเขาจะดูแลนะครับเขาจะครอบครองคนโง่ครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนฉลาดเพื่อที่จะประกาศพระกิติคุณให้กับคนโง่ประกาศพระกิติคุณให้กับคนที่ยังไม่รู้เรื่องนะครับเพื่อที่จะนําเข้ามาถึงชีวิตพี่น้องครับในขณะเดียวกันเราต้องอย่าลืมว่า ถ้าหากใครก็ตามที่เป็นคนอาธรรมและเป็นคนบาปต้องยึดจับใจครับเพราะว่าเราจะได้รับผลของการกระทําในโลกนี้อย่างแน่นอนนี่คือการลงทุนชีวิตครับคนที่มีสติปัญญาจะต้องเป็นแบบอย่างชีวิตนะครับและคนที่ทําดีก็จะได้ดีครับคนที่ทําชั่วก็จะได้ความชั่วเป็นการตอบแทนเพียงครับเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติครับพระเจ้า ได้วางกฎของการหวานและการเกี่ยวให้กับทุกทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดศาสนาใดก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกของพระเจ้าครับเราจะต้องใฝ่ในการทําดีเราจะต้องใฝ่ในการคิดในสิ่งที่ดีเราต้องใฝ่ในการให้กําลังใจนะครับใช้คําพูดให้ดีเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะนำผ้าพรมาถึงตัวเองและครอบครัวต่อไปพี่น้องครับชีวิตเลือกได้นะครับชีวิตเลือกได้ เราจะเลือกเป็นอะไรครับเพราะทั้งหมดนี้นะครับอย่ามัวแต่คิดว่าเราทำอะไรก็ได้ไม่เป็นไรนะครับไม่มีใครรู้ไม่มีใครจับได้แต่ว่าพระเจ้านั้นได้ทรงจดไว้ซึ่งทุกสิ่งที่มนุษย์ทำเมื่อถึงเวลานะครับทุกคนจะต้องกล่าวร่ายงานตัวกับพระเจ้านี้ที่สุดพี่น้องครับเมื่อพิจารณามาทั้งหมดนี้ผมจะเรียนถามว่าทั้งหมดนี้มีค่าเพียงพอกับการลงทุน นะครับในสิ่งที่ดีงามหรือเปล่าโดยการคิดดีพูดดีและทำดีหรือไม่เพียงกับชีวิตเลือกได้อาเมน